พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นประชาชนชาวไทยเป็นประชากรของโลกนี่คือสถานภาพของร่างกายของพวกเรานอกจากสถานภาพทางร่างกายของพวกเราแล้ว เรายังมีสถานภาพทางจิตใจทางจิตใจนี่เราเป็นสัตว์โลกเป็นประชากรของไตรภพไตรภพก็คือที่อยู่ของสัตว์โลกที่มีจิตใจไตรภพนี่ก็เป็นสามภพด้วยกันคือหนึ่งกามภพ ภพของผู้ที่เสพกามรูปประพบเป็นภพของผู้ที่เสพรูปประชานและอรูปประพบเป็นภพของผู้ที่เสพอรูปประชานจิตใจของพวกเราถ้ายังเสพกามอยู่คือเสพรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระก็จะเกิดในกามประพบ ถ้าเราสามารถจเจริญฌานขั้นต่างๆได้ฝึกสมาธิทําใจให้สงบเข้าฌานได้เราก็จะเสพฌานเราก็จะไปอยู่ในรูปฌปานรูปปภะถ้าเราได้รูปฌานเราก็จะไปเกิดในรูปปภะ ถ้าเราได้อารู ป, ประชานเราก็จะไปเกิดในอารูปภพนี่คือภพต่างๆที่เรียกว่าไปภพที่สัตว์โลกคือจิตใจของพวกเราจะไปอยู่กันการจะไปอยู่ตามภพต่างๆก็ขึ้นอยู่กับ การขอวีซ่าเหมือนกับร่างกายของเราถ้าเราจะไปประเทศต่างๆเราก็ต้องไปขอวีซ่าไปทำวีซ่าขออนุญาตเข้าสู่ประเทศต่างๆการที่จิตใจของเราจะไปสู่พบต่างๆจิตใจของเราก็ต้องไปทำวีซ่า การจะทำวีซ่าได้จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปเป็นอยู่ในพบอื่นจะไม่สามารถทำวีซ่าได้จะทำวีซ่าก็ตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์พอเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะมีการทำวีซ่ากัน อะไรคือวีซ่าที่พวกเราทำกันอยู่ก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นไปได้สามทางด้วยกันคือหนึ่งทางบุญสองทางบาปสามทางที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปนี่คือการทำวีซ่าของเรา โดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันไม่รู้ว่าการกระทําของเรานี้จะเป็นการขอวีซ่าให้ได้ไปเกิดอยู่ในภพใดภพหนึ่งนถ้าเรายังเสพกามอยู่แล้วเราทำบาปหรือไม่ทำบาปในการเสพการรมเราก็จะทำวีซ่าไปในตัว เราจะมาเกิดในกามาพบที่มีอยู่หลายอยู่หลายส่วนด้วยกันหรือเรียกว่าหลายแดนแบ่งไว้เป็นสองส่วนส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกขเรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนที่มีความทุกขมากกว่ามีความสุขเรียกว่า อบายอบายนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสี่สี่แดนด้วยกันคือหนึ่งอสุรหนึ่งเดลฉานสองเปรตสามอสุรกายสี่นรกนี่คืออบายสี่การจะไปอบายสีน่นี้เกิดจากการทำบาป คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาถ้าเรามีการกระทำบาปแสดงว่าเรากำลังขอวีซ่าไปสู่อบายกันหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ก็จะต้องเดินทางไปตามประเทศที่เราขอวีซ่าเอาไว้ถ้าเราทำบาบด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปมีผลตามมาเช่นเราคิดว่าการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถึงแม้ว่าจะเป็นการจะทำด้วยการทำบาปก็ไม่ถือว่าเป็นบาป ก็ไม่ถือว่ามีความเสียหายเพราะเราคิดว่าเราตายแล้วพอร่างกายตายแล้วเราก็ศูนย์ไม่มีผู้ไปรับผลจากการทําบาปเราก็เลยทํำบาปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเราต้องการอาหารเราก็ฆ่าสัตว์ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ เพื่อเอามาเป็นอาหารเพราะเราจะต้องเอาตัวรอดเราจะต้องรักษาร่างกายฉะนั้นถ้าเราคิดว่าถ้าร่า ง, างกายตายไปแล้วเราก็ตายไปกับร่างกายด้วยการทำบาปก็จะไม่มีผลอะไรตามมาเราก็เลยไม่กลัวกับการกระทำบาปเรียกว่า ทำด้วยความหลงทำด้วยความไม่รู้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเรายัางต้องไปรับผลบาปต่อถ้าทำบาปด้วยความหลงเราก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นสุนัขไปเป็นแมวไปเป็นวัวเป็นควายไปเป็นนกเป็นอะไรต่างๆเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาก็ทำบาปกันเป็นปกติ เขาทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนี่คือการกระทำที่จะทำให้เราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานคือทำบาปด้วยความหลงถ้าเราทำบาปด้วยความโลภทำโลภความโลภ ก, ก็คืออยากได้อะไรมากๆอยากได้เงินทองมากๆ อยากได้สิ่งของมากมากเราก็เลยทำบาปด้วยการช่อโกงด้วยการลักทรัพย์หรือการด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเราทำบาปด้วยความโลภเราก็จะไปเป็นเปรตเปรตก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยเพราะความโลภนี้จะไม่ให้เกิดความรู้สึกอิ่ม เวลามีความโลภแล้วใจจะรู้สึกหิวโหยขึ้นมาทันทีถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวคือเรากลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเวลาเราตายไปเราก็จะไปเป็นอสุรกายคือเป็นดวงวิญญาณ ที่มีแต่ความหวาดกลัวแล้วถ้าเราทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเราก็จะไปนรกนรกก็คือดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนจิตใจด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี่คือ การทำวีซ่าของพวกเราในขณะที่เรามาเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นพพที่เรามาทำวีซ่ากันทำใบขออนุญาตเข้าสู่ประเทศต่างๆหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วถ้าเราทำบุญ เราก็จะทำวีซ่าไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์นี้ก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขความสบายมีความอิ่มความความพอดวงวิญสวรรค์นี้ก็มีชั้นต่างๆมีอยู่หลายชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นก็มีความสุขมากน้อยไม่เท่ากันต่างกันตรงที่ความสุขความสุขความสบายจะมีมากมีน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับบุญที่เราทําไว้ทําบุญน้อยเราก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ําทําบุญมากเราก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงนี่ก็เป็นการทําวีซา่าสําหรับเวลาที่เราตายไปแล้ว เราังจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเรายังเสพกามคือเรายังเสพลูกเสียงกลิ่นโด้นโพธภิภยังอยากดูังดูหนังดูละครยังอยากจะฟังเพลงยังอยากจะเดิมเครื่องเดิมอยากรับประทานขนมอะไรต่างๆ อยากไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่คือความการเสพกามคือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสบุถุพะหรือถ้าเรายังอยากมีแฟนยังอยากมีสามีมีภรรยายังอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นี่ก็คือลักษณะของการเสพกามอยู่ ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้อยู่เวลาเราตายไปเราจะต้องไปเกิดในกามะพภกามะพภก็ที่ได้แสดงไว้แบ่งไว้สองส่วนส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เรียกว่าสวรรค์ส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็เรียกว่าอบายถ้า แล้วถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นภพที่เราเอาไม่ได้มีบุญหรือไม่มีบาปส่งไปอคือถ้าเราไม่ได้ทําบาปเลยไม่ได้ทําบุญเลยใจของเราเวลาตายไปก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายเมื่อไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายใจของเราก็จะรอ มาเกิดเป็นมนุษย์มารอรับร่างกายถ้ามีร่างกายให้เราเกิดเราก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะได้กลับมาเสพกามต่อมนุษย์นี่ก็เป็นภพที่มีการเสพกามนี่คือเรื่องของผู้ที่ยังเสพกามและทำบุญหรือทำบาปหรือไม่ทำบุญไม่ทำบา ก็จะมีที่ไปต่างๆกนันหลังจากที่ตายไปแล้วส่วนผู้ที่ชอบรักษาศีลแปดชอบไปอยู่วัดชอบไปฝึกนั่งสมาธิชอบทำใจให้สงบนั่งสมาธิแล้วได้ฌานขั้นต่างๆถ้าได้ฌานขั้นรูปฌปานคือ รูปฌปานหนึ่งถึงรูปฌปานสี่ก็จะเวลาตายไปก็จะไปเกิดในรูปปภพถ้านั่งสมาธิได้ฌานที่สูงกว่ารูปฌปานที่เรียกว่าอารูปฌปานมีอยู่4่ขั้นเวลาตายไปก็จะไปเกิดในอรูปภพรูปภปพกับอรูปภพนี้มีความสุขมากน้อยต่างกัน อ<บ>ร <PTSD> ูปภ พ, พนี้มีความสุขมากกว่ารูปภพอรูปภพนี้มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆมีความสุขมากกว่าภพของมนุษย์ส่วนอบายนี้ม well ีความทุกข์มากกว่าภพของมนุษย์มีความสุขน้อยกว่าภพของมนุษย์นี่คือภพของผู้ที่เสพกามและไม่เสพกาม แต่ยังเป็นภพที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่คือแม่ว่าใครก็ตามเมื่อได้ไปเกิดในภพใดภพหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปภพอารูปภพหรือกามภพคือสวรรค์ชั้นต่างๆหรืออบายส่วนต่างๆเมื่อบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปเกิดในภพเหล่านั้นหมดกำลังลง ก็จะส่งให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดมนุษย์เพื่อมาทำบุญทำบาปใหม่มาทำวีซ่ากันใหม่แล้วพอร่างกายตายไปก็จะไปตามพบต่างๆใหม่นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เรียกว่าวัตฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบ พวกเรานี่เป็นเหมือนพวกที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัตะสงสารท่องเที่ยวอยู่ในไตพบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอำนาจของบุญและอำนาจของบาปและจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าไม่ไม่มีวันสิ้นสุดจะมีวันสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีได้พบกับพระ อ, อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเพราะว่าถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราจะได้เรียนรู้ว่านอกเหนือจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เรายังสามารถออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เราไม่ต้องติดอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบทางที่จะพาให้จิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราออกจากตายภพได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่กันในขณะนี้เราสามารถที่จะออกไปสู่พานิพานได้ผูพพานิพานก็คือโลกที่อยู่เหนือใจพบนี้เองเรียกว่าโล ก, กุตรละโลกที่อยู่เหนือ โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะไปสู่โลกนี้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้พาไปเพราะไม่มีใครจะรู้ถึงวิธีที่จะพาให้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า หรือมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะพาให้สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในใต้ภพอยู่ในสังสารวัฏหรือวัตตะสงสารนี้ให้ได้หลุดออกจากความทุกข์ต่างๆเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้ย่อมมีความทุกข์เป็นส่วนประกอบเสมอ ไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภพไหนก็ตามจะมีความสุขมากน้อยเพียงอรก็ตามภพต่างๆเหล่านั้นก็จะต้องหมดไปความสุขที่ได้จากภพเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะหมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็จะมาทันทันทีถ้าไปเกิดในอรูปภพพอบุญที่ส่งให้ไปเกิดในอรูปภพหมดไป ก็ต้องตกจากสวรรค์ลงมาสู่สวรรค์ชั้นรูปภปพมาสู่ความสุขที่น้อยกว่าพอเราได้พบกับความสุขที่น้อยกว่าเราก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีเหมือนเวลาที่เราสูญเสียเงินทองไปเคยมีอยู่สิบล้านพอเสียไปเหลือล้านเดียวเราก็จะรู้สึกว่าทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เรายังมีเงินล้านอยู่ แต่เราก็ยังรู้สึกว่าทุกข์เพราะว่าเราต้องเสียเงินสิบล้านไปเก้าล้านไปเหลืออยู่ล้านเดียวแล้วท่านจากล้านหนึ่งเสียไปอีกเก้าแสนเหลืออยู่แสนหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าทุกข์มากขึ้นไปอีกยันได้การตกจากสวรรค์ชั้นต่างๆก็เป็นความทุกข์การตกจากสวรรค์ชั้นอ อรูประภพมาสู่สวรรค์ชั้นรูประภพก็จะรู้สึกว่าทุกข์จากสวรรค์ชั้นรูประภพมาสู่ชั้นเทวภพคือสวรรค์ชั้นของเทวดาก็จะรู้สึกว่าทุกข์เพราะว่ามันมีความสุขน้อยกว่ากันนั่นเองแล้วพอตกจากสวรรค์ชั้นเทพมาสู่การเป็นมนุษย์ก็จะรู้สึกทุกข์ละเวลาตายจากการเป็นมนุษย์ ก็จะรู้สึกทุกข์เนี่นี่คือความทุกข์ที่มีอยู่ในตายภพในการเวียนว่ายตายเกิดคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี่จึงไม่อยากที่จะติดอยู่ในตายภพเพราะว่าตราบใดที่ยังมีการเกิดได้อยู่ในตายภพตราบนั้นจะจะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอพระพุทธเจ้าจึงทรงค้นคว้าหาวิธี ว่าทำอย่างไรถึงจะได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้และไม่ใช่เป็นเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นที่พวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายของพวกเรานี้ มันมากจนนับไม่ได้ว่ามีกี่ครั้งด้วยกันจะประมาณได้ก็จากจำนวนน้ำตาที่เราหลังแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรามากักจะร้องไห้กันเพราะเราจะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆแล้วเราก็ร้องไห้กันถ้าเราเอาน้ำตาที่เราร้องนี่มารวบรวมกันของแต่ละพบแต่ละชาติ มารวมกันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องหม่มร้องไห้กี่ครั้งกันด้วยกันถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่คือโดยประมาณจํานวนภพชาติของพวกเราที่เราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน แล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรายังไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วแล้วถ้าเราเกิดมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ แล้ปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาเราก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้เนี่ยการจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้จึงต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้พาให้เราหลุดออกจาก ตายพบหลุดออกจากวัฏฏะสงสารได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไม่มีความสามารถที่จะสอนตัวเราเองได้สอนให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การเกิดของพระพุทธศาสนาก็เป็นของยากนานจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง ระยะเวลาระหว่างการเกิดของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนี้ห่างกันเป็นกับคำว่ากับนี้ก็เป็นระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะนับได้ด้วยตัวเลขเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากนานๆถึงจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง เพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้สักองค์หนึ่งและพระพุทธเจ้าที่ตัดสรุก็จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนผู้อื่นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่สั่งสอนผู้อื่นก็จะไม่มีใครรู้ <éc> ถึงแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในบางยุคบางสมัยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านไม่สั่งสอนใคร ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้จะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราที่เราเคารพนับถือในปัจจุบันนี้คือพระโคดมที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ออกบวช แล้วก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตัดสรู้อยู่สองเดือนพระองค์ก็ทรงประกาศพระาศาสนาเริ่มสั่งสอนวิธีการดุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้นี้เราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนหกที่ผ่านมา แล้วก็พออีกสองเดือนต่อมาวันเพ็ญเดือนแปดหลังจากที่ได้ทรงใช้เวลานั่งพิจารณาใครควรอยู่ว่าสมควรที่จะสั่งสอนพระธรรมนี้ให้แก่สัตว์โลกดีหรือไม่แล้วเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยว่าจะสั่งสอนแล้วก็ทรงพิจารณาว่าควรจะไปสั่งสอนใครก่อนใครหลังเพราะคนเหล่านี้ มีความฉลาดไม่เท่ากันมีความสามารถที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสอนไม่เท่ากันพระองค์จึงใช้เวลาพิจารณาอยู่จนได้ข้อสรุปว่าจะไปสั่งสอนพวกที่ฉลาดก่อนพวกที่มีความรู้มีความสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้ก่อนก็คือพวกนักบวชทั้งหลายพวกที่เป็น นักบวชผู้ที่มีศีลแล้วมีสมาธิมีฌานขั้นต่างๆแล้วถ้าได้สอนให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาเขาก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างง่ายดายรวดเร็วก็ลงเลยมุ่งไปสั่งสอนพวกนักบวชก่อนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพระปัญจวคี ผู้ที่เป็นนักบวชที่เคยติดตามรับใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ได้แยกทางกันไปพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ส่งตัดสลิจึงมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีย์ก่อนเพราะเห็นว่าพระปัญจวัคคีย์นี้มีภาชนะรองรับธรรมแล้วธรรมะนี้เปียบเหมือนกับอาหาร การที่เราจะตักอาหารเราก็ต้องมองดูคนที่มารับอาหารว่ามีจานมีภาชนะรองรับหรือไม่ถ้ามามือเปล่ า, ลาถ้าตักอาหารใส่มือเขาเดี๋ยวมันก็หลุดไปหมดอหล่นไปหมดเก็บไว้ได้เพียงนิดเดียวแต่คนที่มีภาชนะใหญ่ๆมีหม้อมีชามอย่างนี้อถ้าตักอาหารใส่หม้อใส่ชามก็จะไม่ ไม่ไม่ไม่หายไปไหนจะอยู่ในชามนั้นได้พระพุทธเจ้าจึงมองผู้ที่มีภาชนะที่จะลองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ภาชนะที่จะลองรับนี้ก็คือศีลและสมาธินั่นเองพระองค์จึงต้องมุ่งไปสั่งสอนพวกที่มีภาชนะลองรับธรรมก่อนพวกที่มีศีลมีสมาธิก่อน จึงมุ่งไปสู่บรรดานักบวชต่างๆครั้งแรกก็ทรงแสดงให้กับพระปัญจวาคัคคีหลังจากที่ได้แสดงธรรมไปพระปัญจวาคัคคีทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็วแสดงธรรมเพียงสองสามครั้งเท่านั้นเองครั้งแรกเมื่อแสดงธรรมก็มีหนึ่งในพระปัญจวาคัคคีได้บรรลุพระอาาริยะ บุคคลขั้นที่หนึ่งคือได้เป็นพระโสดาบันพระอริยบุคคลนี้มีอยู่สี่ขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิฎาคามีขั้นที่สามเรียกว่าพระอน า, าคามีขั้นที่สี่เรียกว่าพระอรหันต์การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็หลุดพ้นเป็นขั้นขั้นขั้นที่หนึ่งก็จะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากขั้นที่สองก็ภายในหนึ่งชาติขั้นที่สามนี้ก็จะหลุดพ้นจากการติดอยู่ในกามภพแต่ยังจะไปติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพอยู่ขั้นที่สี่นี้ถึงจะหลุดออกจากตายภพได้ขั้นพระอรหันต์ การแสดงธรรมการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการแสดงเป็นขั้นเป็นขั้นไปผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุเป็นขั้นขั้นไปเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันไปจนถึงขั้นพระอรหันต์หลังจากที่แสดงธรรมสองสามครั้งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์กันได้หลุดพ้นจาก กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นออกจากตายภพออกจากวัฏสงสารพอพระปัญจวคีได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระปัญจวคีทั้งห้านี้ได้แยกทางกันไปเผยแผ่พระธรรมคําสอนที่ได้รู้เห็นกันให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระปัญจกีพระปัญจว ค, วคีก็แยกทางกันเพื่อไปเผยแผ่สั่งสอน พระธรรมที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งไปโปรดสั่งสอนแก่พวกที่เป็นนักบวชต่อไปภายในระยะเวลาเพียงประมาณเจ็ดเดือนก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ผู้ได้ดุจพน้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยก็มีหนึ่งสองรห้าสิบรูปเพราะเป็นวันที่พระอาหารหันต์เหล่านี้หนึ่งสองห้าสิบรูป ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคบูชาเป็นครั้งแรกที่มีพระอาหารหันต์เป็นจํานวนมากมายที่มารวมตัวกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรูน้นี้ไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวเป็นเวลาและเป็นระยะเวลาอันยาวนานเป็นระยะเวลาเป็นกลับเลย ที่โลกนี้ไม่มีพระอาหารหันต์ไม่มีผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันแต่พอเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระอาหารหันต์องค์แรกเป็นพระอาหารหันต์ตะสมมาสามพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอพระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่มีภาชนะลองรับ พระธรรมอันประเสริฐนี้ก็ปรากฏมีพระอาหารอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรอยห้าสิบูปขึ้นมาที่มีหลักฐานที่มีการบันทึกไว้ส่วนพระอาหารอีกมากมายที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ในวันนั้นก็คงจะมีอยู่นั้นนี่คือความประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะทำให้ผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ติดอยู่ในตายพบเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบอยู่ในกามภพบอยู่ในรูปะพบอยู่ในอรูปะพบขึ้นๆลงๆไม่ว่าจะไปอยู่ในพบไหนพอบุญหรือบาป ท, ที่ส่งให้ไปอยู่ในพบนั้นหมดกำลังลงก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่ แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่มารักษาศีลมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมกันใหม่แล้วก็จะขึ้นไปยุบอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆหรือลงไปเกิดอยู่ในอบายชั้นต่างๆจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นจนกว่าจะได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐ ความีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอริยสงฆ์สาวกมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันตรเสรฐให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกที่มีศรทัทธาความเลื่อมใสน้อมนำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกัน อันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่นานๆจะอยู่กับโลกไปที่จะมีมาปรากฏมาอยู่กับโลกได้อยู่ไปก็ไม่นานอย่างพระพุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือกันนี้ก็ได้มีการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ันปีด้วยกันนี่เวลาก็ผ่านมาครึ่งกว่าแล้ว2องพันห้าร้อ อ่สิบแปดอืมเราก็เหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งต่อไปพอพ้นห้าพันปีไปแล้วพระาศาสนาก็จะจางหายไปที่จางหายก็เพราะว่าไม่มีคนมีความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติไม่มีใครบรรลุเป็นพระอารหันต์กันนั่นเอง เพราะการที่จะมีพระศาสนาให้อยู่ยืนยาวนานไปได้เรื่อยๆนี้จําเป็นจะต้องมีผู้มีสัจจิตศรัทธาที่จะศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะได้เป็นผู้ที่มา สั่งสอนผู้อื่นอีกทอดหนึ่งเผยแผ่พระธรรมคาสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งต้องมีพระอาหารหันต์เท่านั้นถึงสามารถที่จะถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยอำผู้ศึกษาถ้าได้ศึกษาจากพระอาหารหันต์นี้จะได้ความรู้ที่ถูกต้องจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ถ้าศึกษาจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี้จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและอาจจะไม่หลุดพ้นถ้าผู้ที่สั่งสอนเองก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นศาสนานี้จะอยู่ได้นานหรือไม่นานจะอยู่ไปถึงห้าพันปีหรือไม่ก็อยู่ที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนี้ ตาพุทธศาสนิกชนไม่มีศรัทธาที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนไม่สนใจกับการฟังเทศฟังธรรมไม่สนใจกับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนไม่บรรลุธรรมขั้นต่างๆไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปก็จะไม่มีผู้ที่จะสามารถนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้อื่นให้เกิดศรัทธาให้เกิดความเลื่อมใสได้ผู้ที่จะแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้นี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันตสาวกเพราะท่านจะสามารถแสดงธรรมได้อย่างจงแจ้งอย่างชัดเจนผู้ฟังฟังแล้วจะไม่มีความนังเลสงสยัย ฟังแล้วจะสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วอันนี้คือเรื่องของาศาสนาพุทธของเราที่จะเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมด้วยเสื่อมอยู่การเสื่อมของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่การมีศรัทธาของชาวพุทธที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติ ที่จะบรรลุธรรมและที่จะเผยแผ่ธรรมหรือไม่นี้นั่นเองเท่าที่เราดูก็สมัยนี้ก็มีความเสื่อมในเรื่องของการที่จะศึกษาที่จะบวชเรียนกันสมัยก่อนนี่จะบวชกันยาวหนึ่งพันษาอย่างน้อยก็หนึ่งพันษาสมัยนี้เดี๋ยวนี้บางทีก็บวชกันเดือนหนึ่งบางทีก็บวชกันสองอาทิตย์ บางทีก็บวชกันแค่เจ็ดวันบางครั้งก็บวชกันวันเดียวบวชเช้าศึกเย็นบวชหน้าไฟกันถ้าเป็นการบวชแบบนี้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาให้พระพุทธศาสนานี้มีอายุยืนยาวนานกว่า 5,000 ันปีได้นี่คือเป็นเรื่องของความสามารถ ของความศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีใครมีศรัทธาไม่มีใครมีความเลื่อมใสไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติก็จะไม่มีใครบรรลุธรรมเมื่อไม่มีใครบรรลุธรรมไม่มีใครเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า มาสั่งสอนผู้อื่นให้เกิดศัตทาให้เกิดความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามได้ต่อไปศาสนาก็จะหมดไปเพราะไม่มีใครสนใจที่จะเล่าเรียนไม่อ่านกันไม่อ่านหนังสือธรรมะกันไม่ปฏิบัติกันเพราะสนใจในเรื่องของทางโลกกันมากกว่ายิ่งทางโลกมีความเจริญ ทางวัตถุทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมากน้อยเพียงไรความเสื่อมของศาสนาก็จะมีมากขึ้นไปเพียงนั้นเพราะเมื่อมีความสุขทางโลกก็จะไม่อยากจะมาบวชกันไม่อยากจะมาศึกษากันเพราะการศึกษาการมาบวชนี้มันต้องละความสุขทางโลกซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติดะ เวลาใครติดยาเสพติดแล้วนี่จะให้เลิกยาเสพติดนี้เลิกยากผู้ที่ติดความสุขทางโลกผู้ที่ติดความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะไม่อยากจะออกมาบวชกันไม่อยากจะมาศึกษาไม่อยากมาปฏิบัติธรรมกันเพราะว่ามันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งว่าต้องเลิก เสพความสุขต้องเลิกเสพยาเสพติดกันแต่ถ้าอยู่ในยุคที่มีความทุกข์มากถ้าโลกนี้ไม่ได้เจริญทางวัตถุไม่ได้เจริญทางลาบยศสรรเสริญโลกนี้มีความทุกข์มากก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เข้าหาพระพุทธศาสนาได้ง่ายกว่ายิ่งในยุคโบราณความเจริญทางด้านวัตถุนี้มีไม่มาก คนเราอยู่กันอย่างทุกข์ยากลำบากเพราะขาดแคลนเรื่องปัจจัยสี่บ้างสมัยโบราณโรงพยาบาลก็ไม่มีหมอก็ไม่มียาก็ไม่มีคนตายกันง่ายตายกันเร็วบางทีมีโรคระบาดก็ต้องตายกันไปเยอะแยะคนจึงเห็นความทุกข์กันมากเมื่อเห็นความทุกข์มากๆกก็เลยอยากจะหนีจากความทุกข์ก็จะวิ่งเข้าหา ที่พึ่งคือศาสนาก็จะไม่รู้สึกว่าการศึกษาการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ยากลําบากเพราะความทุกข์ที่ได้เจอในในโลกนี้มันมีมากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการอดอยากขาดแคลนในปัจจัยสี่ความทุกข์ที um ่เกิดจากภัยต่างๆภัยทางธรรมชาติภัยทางโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงทำให้คนที่อยู่ในยุคที่อดอยากขาดแคลนนี่จะเข้าหาศาสนาได้ง่ายกว่าแต่ถ้าคนที่อยู่ในยุคที่มีความสุขความเจริญทางปัจจัยสี่ทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็จะไม่มีอะไรผลักดันให้เข้าหาศาสนากันก็จะติดอยู่กับการหาความสุขทางโลกคนสมัยนี้จึง บวชกันน้อยลงไปแล้วบวชสั้นลงไปอสมัยก่อนนี้เขาถือตามธรรมเนียมถ้าบวชนี้ก็ต้องบวชกันหนึ่งพันษาตามตำเนียมของชาวไทยเราชาวพุทธเหล่านี้ถ้าเป็นลูกชายนี่พออายุยี่สิบก็จะต้องบวชกันบวชก็ต้องบวชอย่างน้อยหนึ่งพรรษาขึ้นไปสมัยนี้พวกที่เป็นชาวพุทธที่ยังเชื่อในเรื่องของการบวชอยู่ ก็จะบวชกันแต่บางทีก็ไม่สามารถบวชได้หนึ่งพันษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องทำงานทำการาบริษัทเขาก็ไม่ให้ลาสามเดือนถ้าอยากจะบวชหนึ่งพันษาสามเดือนก็อาจจะต้องลาออกจากงานเขาก็ไม่อยากจะลาออกจากงานเพราะเดี๋ยวพอเสร็จไปแล้วต้องกลับไปหางานใหม่แต่บริษัทบางบริษัทก็อาจจะให้ลาได้หนึ่งเดือนบางบริษัทก็ให้ลาได้สองอาทิตย์ บางบริษัทก็ให้ลาได้หนึ่งอาทิตย์ก็เลยการบวชก็เลยน้อยลงไปเพราะการบวชเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นการบวชเพื่อที่จะหนีจากความทุกข์เพื่อมาดับความทุกข์กันบวชตามประเพณีตามความเชื่อที่ปู่ย่าตายายบิดามารดาได้สั่งสอนมาให้ปฏิบัติกันเท่านั้นเองอ น, นี่ก็คือเหตุที่จะทำให้ศาสนา เสื่อมลงถ้ามีความสุขมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นเท่าไหร่มีความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญต่างรูปเสียงกลิ่นลดมากน้อยเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ความเสื่อมของศาสนาก็จะมีเสื่อมมากน้อยตามตามกำลังตามลำดับไปนี่ก็คื อ, เ, อ, อเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสัตว์โลกอย่างยิ่งแต่สัตว์โลกนี้ขาดปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของศาสนาไม่รู้ว่าศาสนานี้จะให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่จะได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้คืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญ ความสุขที่ได้จากการเจบรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วระยะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอเราตายไปแล้วความสุขเหล่านี้ก็จะหมดไปแล้วถ้าเราต้องไปถ้าเราไปทำบาปเราตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในที่ที่มีแต่ความทุกข์มากแต่ความสุข อันนี้เราไม่มีปัญญาที่เราจะเห็นกันไม่รู้กันเราไม่เห็นว่าถ้าเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลประภะต่างๆเพราะว่าจะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมด หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้หมดไปกับการตายของร่างกายเพราะความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้จะอยู่ในใจจะติดอยู่ในใจจะไปกับใจที่ไม่ตายจะพาใจไปอยู่ในที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ คนส่วนใหญ่จะไม่รู้กันถ้าไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมจะไม่รู้ว่าความสุขของทางพระพุทธศาสนานี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของทางโลกความสุขของทางโลกก็เป็นความสุขที่คุกเข่าไปด้วยพราเขาไปด้วยความทุกข์เพราะความสุขทางโลกนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน สั้นบ้างยาวบ้างเวลาหมดไปความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีแต่ความสุขทางธรรม น, น, นี้จะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์มาคุกเขา้ข า, เขาด้วยเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดและเป็นความสุขที่มีพลานุภาพ ม, มีกำลังมากกว่าความสุขของทางโลก ถ้าผู้ใดลองได้สัมผัสกับความสุขทางธรรมแล้วแม้แต่เพียงครั้งเดียวแม้แต่ชั่วขณะเดียวจะเกิดศรัทธาขึ้นมาจะจะมีความกล้าหาญที่จะสละความสุขทางโลกไปเพื่อที่จะได้ทุ่มเทชีวิตและเวลาให้กับการสร้างความสุขทางธรรมขึ้นมาอย่างนั้นเป้าหมายของชาวพุทธเราถ้าอยากจะได้ ประโยชน์ได้ความสุขทางธรรมเราจำเป็นที่จะต้องหมั่นศึกษาให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจนี้ให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อเรารู้จากวิธีแล้วเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ได้ความสุขชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีที่เราเรียกว่าแบบงูแลบลินถ้าเราสามารถ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนทำให้ใจของเราสงบได้แม้เป็นชั่วขณะงูแลบลิน้นเราจะได้ริมรถรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงเมื่อเราได้ริมรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงแล้วมันก็จะทำให้รถทั้งปวงนี้ไม่มีความหมายอีกต่อไปรถของลาบยศสารเสรญรถของรูปเสียงกลิ่นรถปฐพนี้จะหมด ความาความความดึงดูดแก่จิตใจของผู้ที่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแม้แต่เป็นเพียงชั่วหนึ่งขณะเท่านั้นเรียกว่าเป็นเหมือนกับการได้ชิมอาหารแม้เพียงได้ชิมอาหารเพียงคำเดียวก็จะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างอาหารที่ได้ชิมกับอาหารที่เคยได้รับประทานมาว่าต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดิน เรู้แล้วว่ามีอาหารอันวิเศษอยู่ที่ตรงนี้เราจะไปหาอาหารที่มันเร็วกว่าทาไมเราก็ต้องมุ่งไปหาอาหารที่วิเศษกว่าฉันได้ถ้าเราได้ศึกษาและเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วเราได้ปฏิบัติย้งได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแม้จะจะเป็นเพียงชั่อขณะหนึ่งก็ตามนะ ถ้าลองได้สัมผัสรสแห่งธรรมเพียงขณะเดียวแล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างแรงกล้าจะมีความกล้าหาญที่จะทิ้งความสุขที่เคยหามาได้ทิ้งความสุขทั้งปวงเพื่อมาเข้ามาหาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขอันนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้ ให้อยู่กับจิตใจไปอย่างตลอดเวลาไม่ให้มันหายไปความสุขทางจิตใจนี้ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราจะสามารถรักษาให้มันอยู่กับเราได้ต่างกับความสุขทางโลกถึงแม้เราจะมีความสามารถที่จะหามันมาได้แต่เราไม่มีความสามารถที่จะยับยัง้งหรือป้องกันไม่ให้มันจากเราไปได้ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องจากสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไม่จากตอนเป็นก็ต้องจากตอนตายเพราะร่างกายของเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อพอถึงวันสิ้นสุดของร่างกายความสุขต่างๆ ที่เราหาได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็จะหมดไปเราไม่สามารถที่จะเอาไปกับเราได้ไม่สามารถรักษาความสุขต่างๆที่เราหามาได้จากสิ่งต่างๆแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้เราสามารถรักษาเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะตายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ หาความสุขทางธรรมเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขทางธรรมเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขทางธรรมนี้คืออะไรก็คือศีลสมาธิและปัญญานี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันก็คือปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาศีลนี้ก็ต้องเป็นศีลระดับสูงไม่ใช่ศีลระดับตำ่ำคือศีลห้า ศีลห้านี้ถือว่าเป็นศีลระดับต่ำเหมาะกับผู้ครองเรือนเหมาะกับผู้ที่ยังติดอยู่กับราบยศจัลเสญผู้ที่ยังติดอยู่กับเวยการเวียนไหวาตายเกิดเพราะว่าถ้ารักษาศีลห้าได้อย่างน้อยก็จะไม่ไปเกิดในอบายกันจะเวียนไห้าตายเกิดอยู่ในสุขติคือจะเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้ แต่ถ้าอยากจะหลุดพ้นออกจากไตรภพหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารจําเป็นจะต้องถือศีลที่สูงกว่าศีลห้าคือศีลแปดขึ้นไปต้องถือศีลแปหรือศีลสิบศีลสอง้ยบเจ็หรือศีลสามอยสิบอดข้อแล้วแต่สถานภาพของผู้ที่ปฏิบัติศีลแปดศีลสิบนี่ก็ถ้าเป็นพวกอุบาสิกาอุบาสกก็ถือศีลแปดกันไป ถ้าเป็นสั ม, มเณินแม่ชีก็ถือศีลสิบกันไปถ้าเป็นพระภิกษุก็ศีลส2 7ีถ้าเป็นภิกษุณีก็ศีลส1 1อสิบดนี่คือศีลต่างๆชนิดต่างๆสำหรับที่สหรับผู้ที่จะต้องการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะศีลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนในการจเจริญสมาธินั่นเอง สินห้านี้จะไม่มีกาลังที่จะสนับสนุนในการเจริญสมาธิในการเจริญปัญญาต้องอาศัยสีนแปดขึ้นไปสินแปดพอมีสีลแปดแล้วก็จะมีกำลังมีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาปลีกวิเวทำใจให้สงบแล้วพอทำใจให้สงบได้ก็จะมีกำลังที่จะไปใช้ในการเจริญปัญญา เพื่อที่จะได้เอาปัญญามากําจัดต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆนี้เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นนดเรียกว่ากามตันหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตันหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัญหาตัญหาทั้งสามนี้ความอยากทั้งสามนี้จะหมดลงไปได้ก็ต้องมี ศีลมีสมาธิมีปัญญามาเป็นผู้กำจัดนี่ยงนั้นผู้ใดถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวดึงให้จิตติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้เป็นสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจเพราะถ้ามีการเกิดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย มีการพัดภาคจากกันถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพัดภาคจากกันไม่มีความทุกข์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นจะไม่มาเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อตัดความอยากทั้งสามประการนี้ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจอพอได้ มีการปฏิบัติแล้วก็จะสามารถปฏิบัติไปได้ไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเพราะการรักษาศีลรักษาจรการรักษาศีลการเจริญสมาธิปัญญานี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายศีลที่แท้จริงก็อยู่ที่ใจใจเป็นผู้ละเมิดศีลหรือไม่ละเมิดศีลสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจ ถ้าเราสามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาได้มันก็จะติดอยู่กับใจเวลาที่ร่างกายไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสามารถที่จะใช้ศีลสมาธิปัญญาที่อยู่ติดอยู่กับใจกำจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปถ้าไม่มีความทุกข์ในใจใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือเรื่องของ จิตใจของพวกเราและร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราเป็นประชากรของประเทศไทยของของโลกแต่จิตใจของเรานี้เป็นประชากรของไตพ่พบถ้าเราอยากจะหลุดออกจากการเป็นประชากรของไตพ่พบเราก็จะต้องมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้พาเราไปถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา เราจะไม่มีใครพาเราออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่มงคลเป็นชาติที่ที่ที่ดีโอกาสที่ดีเพราะว่านานๆจะได้พบกับพระพุทธศาสนาที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไป เมื่อเรามาพบแล้วก็อยู่ที่เราเองจะต้องตัดสินใจว่าเรายังอยากจะอยู่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายก่อดเกิดต่อไปหรือว่าเราอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเราต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ ดุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการปฏิบตัติของการศึกษานี่จึงเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะต้องตัดสินใจกันเอาเองว่าจะเอาทางไหนดีจะเอาการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดหรือจะเอาการยุติของการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าจะเอาการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสละความสุขต่างๆของทางโลกไปสละสละความสุขจากลาบยศสละเสริญสละความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพื่อที่จะมาศึกษาและมาปฏิบัติถ้าเรายังติดอยู่กับความสุขทางโลกทางลาบยศสละเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเราจะไม่สามารถมาศึกษาและมาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ เมื่อเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่เราจะไม่สามารถหลุดพ้นออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของที่ท่านทั้งหลายจะต้องเอาไปพินิษพิจารณากันเอาเองว่าจะดําเนินอย่างไรต่อไปพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มาบังคับให้ใครปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะพิจารณาการเอาเองดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวาหาปุราภิรุเปรินติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปกัรปติอิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิดเปเมวะสมิจตุสัพเพเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อระโสยะธาสพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนสีริตสนิจังวุฒาปะจายโนจตารโธรรมาวาทาติอายุวันโอสุขัง า ล, ลาดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปจนถึงเวลาเลิกประชุมหลังประชหลังจากเลิกแล้วก็ขอยุติการถามตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษให้พิธีกรอ่านให้ฟัง ถ้าไม่อยากจะถามเองแต่ยังมาถามตอนที่เลิกประชุมแนละ้วเพราะจะไม่ได้คำตอบวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สองร้อยเก้าสิบคนครับ y o u t u หนึ่งร้อยเจ็ดคนครับเลดีโยี่สิบเจ็ดคนครับผู้รับฟังบนเขาสองร้อยยี่สิบคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยสี่สิบสี่คนครับพระอาจารย์ถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยเดี๋ยวขอเอาไมโครโฟนก่อน เดี๋ยวขอส่งไมโครโฟนไปก่อนพูดใกล้ๆไมโครโฟนนะจะได้ยินเสียงพูดใกล้ๆเอาไมโครโฟนใกล้ๆปากอาโค้ดได้เลยนมัสการหลวงพ่อนะเจ้าค่ะก่อนจะคําถามพูดใกล้ๆปากก่อนจะพูดคําถามกับหลวงพ่อนี่ลูกก็กราบนมัสการพขอขอบพระคุณ ทุกอย่างที่ท่านได้เมตตาแนะนำที่ลูกติดขัดในเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาที่ลูกเคยกลับเรียนว่าติดสมาธิอยู่สิบปีท่านก็แนะนำถึงการดาเนินทำในขั้นต่อๆไปจนกระทั่งลูกประขันเนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วอะแล้วลูกก็กลับมาถามหมูงพ่ออีกครั้งหนึ่ง หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ไม่ให้ทำสมาธิให้หยุดไปชั่วคราวแล้วก็ให้พิจารณาสิ่งรอบตัวเนี่ยให้ไปสู่ไตรลักษณ์แบบสดๆลูกก็พยายามทำอยู่ก็อยากจะมีคำถามอยู่สองคำถามที่จะให้หลวงพ่อเมตตาชี้นำวิธีแก้ไขให้ลูก าการแรกก็คือสิ่งที่ทาไปแล้วในการพิจารณาสดๆเนี่ยลูกก็จะพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็เช่นการกินอยู่ปัจจุบันของเราไม่ว่าจะพืชผักผลไม้เวลาพิจารณา ก็จะพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่จะต้องมีการขยายพืชพันธุ์ได้ถ้าหากถ้าหากเราเนี่ยนะไม่พยายามที่จะขยายพืชพันธุ์ก็คือทำลายมเมล็ดพันธุ์ให้หมดพูดง่ายๆคือทำลายเชื้อแห่งการเกิดให้หมดเนี่ยการเกิดดับของพืชพันธุ์เหล่านี้ ก็จะไม่มีอีกประการหนึ่งก็คือบางครั้งหลังหลังฝนตกพายุใหญ่ก็จะมองพวกผลไม้หรืออย่างเช่นมะม่วงซึ่งมีทั้งดอกทั้งเมล็ดทั้งผลร่วงหล่นเนี่ยก็จะคิดถึงไตรลักษณ์โดยไปทั้งทั้งด้านอันิจังไงนะเจ้าคะ่ะ ว่าเหมือนกับมนุษย์ที่ว่ามันมีการเรียกว่าตายแบบตายหมู่ตายทั้งที่ยังเด็กผู้ใหญ่หรือแก่ชราหรือตายตั้งแต่ยังอยู่ในคันอันนี้เป็นคำถามประการแรกประการที่สองลูกพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือปัจจุบันเนี่ย เทคโนโลยีมัก้าวหน้ามากทั้งนี้มาจากเรื่องทางด้านเปนโตเคมีเป็นหลักคือปัจจัยสำคัญก็คือน้ำมันซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆถ้าหากว่ามีการทำลายก็คือไม่ไม่ขุดเจาะน้ามันขึ้นมาใช้เนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นคำถามนะเจ้าคะคำถามสุดท้ายก็คือในการพิจารณารูปประขันซึ่งมีอยู่ห้าอย่างเนี่ยรนเม่อลูกพิจารณารูปรูปประขันเนี่ยจนเหมือนกับว่าในใจหมดสิ้นไปแล้วทีนี้มันยังเหลือนามะขัน คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยลูกยังต้องนํามาพิจารณาสดๆอีกไห่เจ้ า, าก็ต้องสดแห้งก่อนก็ได้พิจารณาแห้งก่อนแล้วก็ต้องไปพิจารณาสดมันถึงจะผ่านแห้งนี่เป็นเหมือนการทําการบ้านส่วนพิจารณาสดนี่เหมือนกา ร, การทําข้อสอบเช่นเวทนานี่มันมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ อันนี้เราก็พิจารณาแห้งไปก่อนเอาอาดีตที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างบางทีเราก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่สบายก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเดี๋ยวกินยารักษามันเดี๋ยวมันก็หายทุกเวทนาก็หายไปสุขเวทนาก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ให้เราพิจารณาว่าเวทนามันไม่กีรังมันไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปมันไม่สุขอย่างเดียวมันไม่ทุกข์อย่างเดียว มันไม่สุขไม่ทุกข์อย่างเดียวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างเดียวเราจะทุกข์เพราะว่ามันเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้อันนี้เป็นการพิจารณาแห้งไปก่อนพอเรารู้แล้วว่าเราต้องปล่อยวางเวทนาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาสุขก็ปล่อยมันสุขไปเวลามันทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปเวลามันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไม่สุขไม่ทุกข์ไป อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นใจของเราก็จะไม่ทุกที่ทุกเพราะความอยากของใจเราเองอันนี้พอเรารู้วิธีการแล้วต่อไปเวลาเราเจอของจริงเวลาเจอสุขก็อย่าไปอยากให้มันสุขเป็นนานๆต้องรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องหมดเช่นวันนี้กินเลี้ยงมีญาติพี่น้องมาพบหากันนานๆจะได้เจอกันมาพบกันดีใจมีความสุขเดี๋ยวภาพเดี๋ยวก็ต้องจากกันอีกแล้วะ เขาจากไปเราก็รู้สึกเหงาว้าวเวเนี่ยทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากให้เขาอยู่แล้วเขาไม่อยู่เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าอะเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวสุขแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเดี๋ยวความสุขก็หมดไปความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เข้ามาหรือความทุกข์ก็ต้องเข้ามานี่คือพิจารณาสอนใจเวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงก็จะได้ให้ใจเป็นอุเบกขา ให้ใจเฉยๆกับสุขกับทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาเป็นอย่างไรก็ให้ก็เป็นอย่างนั้นนี่คือการพิจารณาสดเวลาเจอเหตุการณ์เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเราก็รับทราบไว้เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปอยากให้มันไม่เป็นไม่ต้องไปอยากให้มันไม่หายอยากให้มันหายเพราะเราไปอยากไม่ได้อยากแล้วมันทุกข์ ทำไรายได้ก็ทำไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่ก็มันไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปอันนี้คือวิธีพิจารณาความจริงอันนี้แบบสดสดร้อนๆเวลาเจอเหตุการณ์จริงแต่ก่อนจะเจอเหตุการณ์จริงถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนพอเจอเหตุการณ์จริงเราจะทำไม่ได้เหมือนกับนักเรียนถ้าไม่ทำการบ้านก่อนพอไปสอบก็จะสอบไม่ได้ อ่ตอนนี้เราต้องมาทำการบ้านกันก่อนพิจารณาร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอเราไปเจอของจริงเราจะได้ไม่วุ่นวายไปกับมันอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะยังพิจารณาสดเนี่ยเคยมีอาการทั้งทั้งที่ไม่เคยเลยนะเจ้าคะ ปวดหัวข้างเดียวแบบรุนแรงแล้วก็มันมีเหมือนอะไรเหล็กแหลมๆ ม, มาจิ้มกระบอกตาในตาเนี่ยเจ็บปวดมากเลยนะไอ้วันนั้นถามตัวเองว่าเป็นอะไรก็ซดตัวลงนั่งกระทบโทนทบน ท, บ น, ตทบนตัวเองทบทนว่าเออมันเกิดมาตั้งอยู่แล้วมันคงจะดับไปอันนั้นลรียกทุกขเวทนาใช่ไถ้าเผื่อเราจะตายนะก็เราจะขอตายกระทา โยมก็เลยเข้าสมาธิอืพอเข้าสมาธิเสร็จ ม, มันก็เหมือนกับว่าเราก็เลยเคล้มเคลิ้มเหมือนกับหลับไปอืแล้วพอตื่นขึ้นมาก็หาเป็นปิดทิ้งก็เข้าใช้ชีวิตอย่างปกติออย่างเงี้ยแบบพิจนาสดใช่ไหมตัวคะ่ะอันนี้มันใช้สมาธิหลบไม่ได้ใช้ต้องไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่ต้องเข้าสมาธิทำใจให้เฉย ตายก็ตายไม่ตายก็ไม่ตายถ้าเข้าสมาธิมันหลบหลบเดี๋ยวถ้าเจอความตายก็ต้องคอยหลบอยู่เรื่อยๆมันก็ยังต้องมีภาวะมีการไปเกิดอยู่แต่ถ้าเราไม่หนีมันจะตายก็ดูดูมันจะจะดูมันซึ่งซึ่งหน้าดูมันหมดลมหายใจไปใจเราอยาไปหวั่นไวหวหวาดกลัวอยาไปอยากให้มันไม่ตาย เราใจเราจะไม่ทุกข์และจะไม่ไปเกิดใหม่แต่ถ้ายังไม่มีปัญญาจะหลบไปในสมาธิก่อนก็ได้มันก็บรรเทาความทุกข์ได้แต่มันไม่มันไม่กาจัดตัวปัญหาคือตันหาความอยากความกลัวต้องไม่กลัวมันต้องยอมรับความจริงว่ามันร่างกายต้องเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวมันก็ต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม เวทนามันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีมันใช้อุเบกขาคือให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปถ้าถ้าเผื่ออย่างนั้นก็คือถ้าเผือพิ จ, พ จ, พ จ, พจารณาทางด้านนามขันเนี่ยไม่ให้สมาธิมายุ่งเกี่ยวเลยนะเจ้าใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาพิจารณาเราไม่ใช้สมาธิสมาธิเราใช้เวลาที่เราหยุดพิจารณาเราต้องสลับกันทำอย่าพิจารณาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะ เดี๋ยวกำลังหมดกำลังคือสมาธิมันหมดก็เราก็ต้องเข้าไปในสมาธิสลับกันทำช่วงที่เราพิจารณาเราก็ไม่ต้องใช้สมาธิเพราะเรามีสมาธิจากการที่เรานั่งมาแล้วมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนแต่พอเราพิจารณาแล้วมันเริ่มฟุ้งขึ้นมามันแสดงว่าสมาธิหมดกำลังแล้วเราก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่ทาใจไม่ให้ฟุง้งแล้วค่อยกลับมาพิจารณาใหม่ เข้าใจแล้วด้วยอย่างั้นสมาธินี้ไม่ได้บอกให้เลิกเพียงแต่ว่าให้สลับทํากับปัญญาอย่าทําแต่สมาธิอย่างเดียวสมาธินี้ขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วเวลาพิจารณาทางปัญญามันจะเป็นกิเลสขึ้นมาได้มันจะทําให้จิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ถ้าเริ่มรู้ว่าฟุ้งแล้วแสดงว่าสมาธิหมดกําลังแล้วก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบก่อน การพิจารณาทางปัญญานี้ต้องพิจารณาแบบสงบเกิดใจไม่ฟุง้งคิดไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ปล่อยวางถ้าคิดไปแล้วฟุง้งวุ่นวายใจนี่แสดงว่าไม่มีสมาธิแล้วต้องกลับไปนั่งสมาธิทำจิตให้สงบก่อนแล้วค่อยกลับมาพิจารณาใหม่เราถึงจะปล่อยวางได้วางเฉยได้อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไป ทางกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้าปล่อยได้ก็แสดงว่ามีสมาธิมีปัญญาถ้าปล่อยไม่ได้ถ้ามีปัญญาแต่ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิก็ต้องกลับไปทำสมาธิทำต่อไปนะทำไปเรื่อยๆสาธุคาถามจากลายนะคะเมื่อวานนี้หนูเพิ่งกลับจาก ไปถือศีลแปดที่วัดมาในขณะที่ถือศีลแปดอยู่ที่วัดใจก็อยากแต่จะกลับบ้านพอได้กลับมาบ้านใจกลับไม่ค่อยยินดีกับการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติรู้สึกว่าการอยู่แบบนี้น่าเบื่อทั้งทง ท, งที่ก่อนหน้าที่จะไปวัดหนูมีความสุข ก, กับการใช้ชีวิตแบบนี้หนูควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะเราถูกกรเล็หรอกไง พอเราอยู่วัดมันก็อยากจะให้เรากลับบ้านพอเรากลับบ้านมันก็อยากจะให้เรากลับไปวัดเพราะว่ามันเบื่ออยู่ที่ไหนมันเบื่อมันก็จะคิดว่าที่นู่นดีกว่ามันไม่ได้คิดด้วยปัญญามันคิดด้วยอารมณ์พอมันเบื่อแล้วมันก็จะมองว่าที่อื่นดีกว่าที่เราอยู่พอเราเบื่อที่ไหนแล้วมันก็จะคิดอย่างนั้นแล้เราต้องใช้เหตุผลว่ามันที่ไหนดีกว่าจริงที่วัดดีกว่าหรือที่บ้านดีกว่า ที่บ้านมีแต่ความวุ่นวายที่วัดมีแต่ความสงบจะเอาอันไหนจะเอาความสงบหรือเอาความวุ่นวายอย่างนี้ถึงจะแก้การหลอกลวงของกิเลสได้ไมะงั้นเราก็จะถูกมันหลอกพออยู่วัดได้วันสองวันก็คิดถึงบ้านนะพอกลับมาอยู่บ้านได้วันสองวันก็เบื่อมันต้องใช้เหตุผลมันถึงจะแก้ปัญหาการหลอกลวงของกิเลสได้คำถามต่อไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ จะใช้ธรรมะข้อไหนเพื่อสงบจิตใจไม่ให้ฟุ้งไปกับสิ่งที่เห็นค่ะเช่นเห็นเขาแบกลงศพทหารที่ไปช่วยเด็กติดถ้ำก็ร้องไห้ไปกับเขาด้วยเห็นนักกีฬาได้ถ้วยเหรียญได้รางวัลก็ดีใจร้องไห้ทั้งที่ไม่รู้จักเขาเลยใครมาว่าอะไรให้กระทบใจก็เก็บเอามาคิดมาก ต้องทำอย่างไรคะจึงจะฝึกจิตใจให้เข้มแข็งได้กราบขอบพระคุณค่ะควิธีง่ายที่สุดก็หลับตาเสะเห็นอะไรแล้วทำให้ <laughs> ใจเราไม่สบายก็หลับตาได้ยินเสียงอะไรแล้วทำให้ใจเราไม่สบายก็หาอะไรมาอุดหูเสะวิธีนี้ง่ายที่สุดแต่เป็นวิธีที่มันไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหาที่ต้นเหตุคือใจเรายังมีความหลงอยู่ ยังมีความลักความชังกับสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินอยู่ยงั้นถ้าเราอยากจะแก้ที่ต้นเหตุเราต้องใช้สติพอเราเห็นอะไรแล้วใจเราไม่สบายก็ต้องดึงใจเราด้วยพุทโธพุทโธอให้มันอยู่กับพุทโธอย่าให้มันไปอยู่กับภาพหรือเสียงที่เราเห็นหรือได้ยินพอเราดึงใจออกจากภาพจากเสียงได้ อารมณ์ต่างๆมันก็จะสงบตัวลงอันนี้ก็เป็นขั้นที่หนึ่งของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ยังเป็นเป็นแบบชั่วคราวอยู่ถ้าเราเพอสติกลับไปดูกลับไปได้ยินอีกก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกได้งั้นขั้นที่สองที่เราจะแก้อย่างรอบคอบก็ต้องใช้ปัญญาการจะใช้ปัญญาได้เราก็ต้องมีสติมีสมาธิก่อนทำใจให้เราเฉยให้ได้ก่อน เมื่อเราทาใจให้เฉยได้แล้วเราก็สอนใจว่าภาพหรือเสียงหรืออะไรที่เราเห็นได้ยินนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันมีดีมีไม่ดีผัดกันไปเปลี่ยนกันมาเป็นเหมือนดูภาพยนตร์เหมือนดูละครเราเป็นเพียงแต่คนดูเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นมันไม่เกี่ยวกับเราให้เราดูเฉยๆเราไปไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปเปลี่ยนแปลงมันได้ คำถามต่อไปกาบเรียนถามพระอาจารย์ลูกชายคนเล็กของดิฉันได้เสียชีวิตไปสองปีแล้วตั้งแต่ลูกจากไปดิฉันได้ปฏิบัติรักษาศีลภาวนาและทำบุญให้ทานมาตลอดและบอกกับตัวเองว่าเขาไม่ได้ตายจากเราไปเขายังอยู่กับเรา เพียงแต่เขาไม่มีกายให้เรามองเห็นเท่านั้นคิดอย่างนี้มันถูกต้องไหมคะหรือว่าเราหลอกตัวเองเวลาที่คิดถึงเขามากๆก็จะใช้วิธีนี้มันผิดไหมคะก็มันก็ไม่เป็นความจริงอ่ความจริงคือร่างกายของเขาก็ย่อยสลายกลายเป็นดินน้ำนมไฟไปแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นเขาได้อีกส่วนใจของเขาก็ต้องไปตามบุญตามกรรมของเขา เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วปล่อยเขาไปเถิดเราไม่สามารถที่จะดึงให้เขากลับมาได้นอกจากจังหวะโอกาสหน้าอาจจะมาเจอกันได้เช่นกลับมาเกิดแล้วมาพบกันใหม่อาจจะเป็นไปได้แต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้จะเจอก็เจ อ, เ จ, อจะไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเป็นการพบปะกันชั่วคราวก็แล้วกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเจอกันแล้วก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาค่ะคำถามจากไม่ผู้ประสงค์ออกนามอยากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าคนที่นอกใจแฟนบ่อยๆแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นเป็นประจำเขาจะได้รับกรรมอย่างไรคะเขาก็จะไปเจอผู้หญิงที่ไปมีแฟนอยู่แล้วทำกับใครไว้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาหาเราเองอะ ค <laughs> ันธนต่อไปยายฝากถามนะคะถ้าถือศีลปฏิบัติธรรมแยกตัวออกจากบ้านใหญ่ไปปฏิบัติเหมือนอยู่ที่วัดและสามารถสิ้นพบสิ้นชาติไม่กลับมาเกิดแล้วได้ไหมคะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะได้ถ้าเราตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าเรา <laughs> นั่งสมาธิเข้าฌานได้ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยศั์สี่ได้เราก็สามารถตัดภพตัดชาติได้มีคำถามนะคะมีคนฝากถามว่ามีคนเคยบอกว่าถ้าเราตั้งใจไ้ว่าจะขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะตั้งใจปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานจะทําให้มีเจ้ากรรมนายเวรมารุมร้าเอาคืน ทำให้เราเดือดร้อนโดยวิธีต่างๆในชีวิตประจําวันแบบนี้จริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกเรื่องเจ้ากรรมนายเวรกันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสถ้าเขามาเจอเราเมื่อพบเราเขาก็มาเอาคืนไปแต่ถ้าเขาไม่เจอเราไม่พบเราเขาก็ไม่ได้มาเอาคืนไปไม่เกี่ยวกับความตั้งใจที่เราจะปฏิบัติสู่การหลุดพ้นจากมรรคผลเพื่อมรรคผลนิพผ่านแต่อย่างใด แต่เรื่องเจ้ากรรมนายเวรนี้จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เจอกันได้ถึงเวลามันจะเจอกันมันก็มาเจอกันถ้ายังไม่ถึงเวลาจะเจอกันมันก็ไม่เจอกันดังนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันแล้วแต่จังหวะบางทีเราไปตั้งจิตนิฐานว่าเราจะปฏิบัติให้หลุดพ้นก็พอดีมีพวกเจ้ากรรมนายเวรมาตามมาเจอกันพอดีเราก็เลยไปหมาว่ามันเพราะเราไปตั้ง จิตอธิฐานว่าเราจะไปหลุดพ้นมาเขาถึงมากันไม่เกี่ยวกันนะคนละเรื่องกันนะคำถามต่อไปสอบถามพระอาจารย์ในอดีตผมเคยเจ้าชู้แต่ปัจจุบันเลิกแล้วและไม่คบใครอีกแต่ว่าเวลาคิดถึงสิ่งที่เคยเจ้าชู้กับผู้หญิงในอดีตก็เสียใจทุกครั้งสงสารเขาที่ต้องมาร้องไห้เพราะผม ผมควรใช้ธรรมะคิดยังไงให้สบายใจครับก็อย่าไปคิดถึงมันเลยเวลาคิดเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธใช้สติหยุดมันแข่งกับมันมันจะคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดคิดคอมันเป็นเพียงความคิดอดีตมันผ่านไปแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเอาอดีตมาเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเราก็ละกันว่าต่อไปเราอย่าทาอย่างนี้อีกเท่านั้นเอง คำถามจากลายขอโอกาสกราบรียนถามคำถามครับปกตินั่งสมาธิประมาณ30นาทีต่อมาอยากจะพยายามเพิ่มเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงแต่พอเกือบหนึ่งชั่วโมงจะมีอาการปวดขามากเราควรทําอย่างไรดีครับก็ต้องสร้างสติเพิ่มเวลาปวดขาก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอาการปวดขา ให้อยู่กับพุทโธไปพุทโธอยู่แบบให้มันไม่มีช่องว่างให้ไปคิดถึงความเจ็บนะถ้าอยู่ได้เดี๋ยวความเจ็บนั้นมันก็จะไม่มาลบกวนใจความเจ็บอาจจะไม่หายแต่ใจจะไม่วุ่นวายไปกับมันแล้วใจก็จะสงบนั่งต่อไปได้อีกคนถามจากเฟซบุ๊กนามัสการครับพระอาจารย์เมื่อเราตายไปแล้วดวงจิตของเราทางานอย่างไร จิตใช้อะไรเป็นตัวรับรู้และตัวรู้คืออะไรครับตัวรู้มันเป็นตัวคุณสมบัติของจิตเนี่ยไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายเวลาไม่ว่าจะตื่นหรือหลับมันจิตตัวรู้นี่มันรู้อยู่ตลอดเวลาส่วนสิ่งที่จิตใช้ทำ ง, งานก็คือนา ม, มขันคือสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาตายไปจิตมันก็ใช้ นามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาสร้างมโนภาพมาสร้างเรื่องราวต่างๆให้เราได้เห็นนะนเป็นในรูปแบบของความฝันเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันกันฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างที่ฝันดีก็เพราะบุญเป็นผู้ผลิตความฝันดีให้เราถ้าฝันร้ายก็เพราะบาปเป็นผู้ผลิตเป็นผู้กำกับ บาปนี่เป็นผู้กำกับฝันร้ายบุญเป็นผู้กำกับฝันดีนนเวลาที่เราทำบุญทำความดีเวลานอนหลับเรามักจะฝันดีเวลาที่เราทำบาปทำกรรมเวลานอนหลับเรามักจะฝันร้ายเวลาเราตายไปฝันร้ายมันก็จะกลายเป็นก็เป็นอบายนี้เองฝันดีก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือการทำงานของจิต เวลาที่ไม่มีร่างกายหรือเวลาที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนก็สุดท้ายนะคำถามจากายเมื่อวานได้ถามไปบ้างแล้วค่ะเรื่องได้รู้ตัวรู้ที่อยู่ดีๆก็มาโดยไม่ได้ฝึกปฏิบัติมาก่อนและภายในใจก็ว่างสว่างอยู่ตลอดเวลากินเวลาเกือบปีแต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นหายไปแล้วเหลือตัวเหลือแต่ตัวรู้ ตอนนี้ดิฉันเป็นแม่ชีดิฉันมีแต่ตัวปัญญาแต่ยังไม่มีสมาธิสิ่งที่ฉันต้องมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานต้องทำอย่างไงคะก็ต้องทำสมาธิขึ้นมาจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติอย่งนั้นต้องใช้สติสร้างสติใช้พุโทโธพุโทโธสร้างสติขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดเท่าที่จําเป็นต้องคิด ถ้าไม่จำเป็นก็อยากคิดก็มาพุโทโธพุธโทโธมาหยุดความคิดมาทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบเมื่อใจนิ่งใจสงบแล้วเราก็จะเอาปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้มาหยุดความอยากต่างๆมาทำลายความอยากต่างๆพอเราทำลายความอยากได้จิตเราก็จะหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่พระนิพพานไปเอาลนะวันนี้